นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโหปุญญาสสะอุจจโยติพุทธะปรินิพพานะโตปัทฐายะตั้งแรกแต่เก้าพระพุทธเจ้าเข้าสูนิพานไปบัณฑิตศาสนาของพระพุทธเจ้าลงแล้วสองปันหารอย ฮาสิบสามพวสาปีนี้เป็นปีพุทธศักราชสองปันหารอยฮาสิบสี่พวสาเข้ามาปัจจุบันสมัยไม้หมว่าเป็นเดินสามออกขึ้นมาหวาไดสิบคำดังอุตลูปที่ไดเตเตสนาธรรมในวันเหมือนี้ววาด้วยเรื่องบุญ เขาคือปรมิอักษธาตั้งใจสดับรับฟังสืบต่อไปไปนาะต่อไปก่อที่ได้เตเตะนะธรรมเนปปมิอักษธาตั้งใจฟังได้นะปรมิอักษธาเอามือลองก่อนเลยอะ่ะพอหวาไว้มือก่อนไปสันติบาไข่รับพอไข่รับไข่ปอกมือเฮิร์น <c oughs> ก็มือว่า เมื่อซึนตุปปีเขาก็มาติดว่าซื้อซื้อหนออุกอรมันเหมือนต่างสุดก็มันได้นิมนต์มาเขาปริวาสกรรมตีอยู่เตะๆตกม็มีเป็นตีนอนตีหันคืนหนึ่งตีนีคืนหนึ่งก็แต่ว่าที่มานนอนตีวัดหม่อนเรือเนี่ยซิบคืนไปไปมามา ตีอยู่เป็นเต้เป็นหวามมีมีออกข้อที่โซ่หาตัวกบหยาบพอเป็นหนูก็มีหลายห้างอยู่นะมีหลายห้างพอเป็นนอกก็มีหลายตีอยู่จับหลายกิง่งหาตัวหยาบก็คิดว่าอยู่พอเทามาก็อยู่เป็นตีอีเหลียวพออยู่เป็นตีไมไลายังไข่ซึกอยู่โขไข่ซึกก็เลยไปไปมามาปายน้ำํำธูมอันเฮนแต่เห็นอยู่ตี เมืองไทยกรุงเทพป่ายนำโทรไม่มาซ้ำหูจักมักเกยกับตุปีตุปีสามแปงจะอาวาดวัดป่าแดงแต่ก็เมตตาเมือเขาปริวาสกามาผู้กมเกยเขาให้ปอกมาเขาปอกนี่เป็นขั้งปฐมมหูตีมันติเมืองไทยได้เขาอยู่แต่เมืองเา้ามองเขาให้ปอกไปอูแหนะภาษาที่ปีบุญวัดรอยเหมยมาติศนาธรรมเมื่อวา ขุเขามีสองสามตอ น, นเก้ยเข่าให้ปลอกอว่สากอดเจ็ดแปดว่าสาเขาา้าไม้อ่ะตุปี่บุญว่าสู้จะนี่มาเปิดปริสุทธิ์นีกไกรๆโรนี้ห <c oughs> <c oughs> ว่าวเขามาเปิดปริสุทธิ์นี้มาที่ว่าจะนั้นกอใจอยู่นะปมเอียกสัทธามาหันวันนี้ก่อเยืมใจตีปมเอียกสัทธาเอากันเป็นกันนะเหมือนต่างมาก่อนหนึ่งว่าที่มีปมเอีก พอมีออกตูปเนี่นนะบ่นมีเสียงเยา้าอ่ะทุกปีสามแป้งกว่ามันเป็นสั่งที่หาปันอายิบไม่หมาใจมันเป็นสั่งขาขายู่ก็เลียวกว่าไรตีไปเข่าเอาปะหุสุตตาเอาตางหูก่ก้อยค่ะสุดท้ายก็ไรป อ, อ, อกสามสีก่ก้อยังจํานาไหลายเสียงมีหลายก้ออยู่มีหลายก้ออยู่ห้าวันผ่านไปคือแทงห้าวันที่จําได้เสียงอยู่ ก็หันผมมียกศรัทธาเข้ามาในวันนี้ก็มีความจำจื้นยินดีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ลูกเจ้ามากำมการก็ดีฮักนะมาไปลูกออนต่างตัว่าดเห็นกันเมคอก็ดีฮักเฮ็ดพักก็หวานวันโทนสองวันโหหลัวน้าสอดนี่หวานหวานนะเมียตีวายเมื่อพูกอย่าพิมีน้าสอดทั้งเหน่ก็ พ่อปิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าว่าป้อมเหวาะัทถาเขาพพ่อปิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฝังเขาปริวาสะกัมกอมจางเกิดขึ้นใดฝังเขาปริวาสกัมนี่เกิดขึ้นใดตึงกรรม ก, การตึงความวานควนมคงแล้วก็ปีน้องแขกตีไก่ตึงวันนอกในเวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไพ่มาหันกอจอมจื่นยินดีมีกรรมเสริญวัดหนึ่งเดียมเสริญแต่นะ <g iggle> เป็นกล่าวไว้ว่า ใครอยากหมากจัดหมากเนียวคือมือหนองตองใครอยากหนังป้องคือมือตาข่อยใครอยากข้าพฟื่นหย่อยคือมือหนองเงินใครอยากข้าฟืน่นเมกะดา้าฟถ้าใครหันผมเหี่ยวก็ท่าสามก้าสามกีคือมาตีหมอนเธอของเท่าตีนี้ <laughs> ถ้าใครหัน <laughs> ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะผมเหี่ยวก็ท่า มีตุปปีผ้าปี่หลายตอนมาเตะเตศสนาธรรมวันนี้สัมโตอุมาเติเตศนาธรรมก็ไปอยู่ว่าเหมือนในที่ตอกหนอที่มีคนมาฟังอยู่มมว่าทำมีก่อนที่จะเตะได้สองสามโคก่อลองอ่ะวันนี้เบลซัท t h ก็มาแต่มพิหารที่มีแห่งใจเตะศาสนาธรรมแปะหนึ่งในเวลาติดตุปปีเข้าปันมาคือปปเปโหมี่อัทธาปโฮูลึงกองศีลกองบุญ บาลีติวได้ยกในปรมยิอัทษธาตังตอนนั้นว่าสุขโผลญยาซาอุจโยแปลว่าการเก็บหอมบุญนั่นนําความสุขความเจริญมาหือ้อปรมิอักธากำนี้ปรมิอักษธาเขาก็ไม่ให้ตั้งศีลบุญเซิงๆอะ่ะประมิอัทษธาเขาจังหูวว่าบุญนั่นเหมือนหือ้อจังไครหันโตมันพออาจารย์จังหันโตบุญเถอะ บออาจารย์กอย้าหันบุญเต๋เมื่อเอาบุญจอมเปิน่นพ่องนอสุนีเมืม่อวัดซีบอกรู้กัมนี่เขากอถามเปิ่นนะเออเปื่นเมื่อเอาบุญนี่เปื่อนแค่ถือเอามก่อาหลาอกไม่ใส่เต็นไปบูชาก่อเอามาหรอไปไดกุศลานาบุญมานนี่มันกอดมะมีมันกอดจัดเอาหักเอาหลอกไม่จอมูหจอมหามานันนะ่ะนะเออ ย, ยุบยบุบหยาบหยาบใส่ซ่ามา มาถึงวัดมาหนังจำตุปีตุปีหนังเนื้อแตนสังปันปอนมันก่นอผลหยกมือก่ยอยกมือเปิดหญาติน้ามือก่อยาดจุกจุจากจากจอมเปื่อนอ่ะการ น, นี้เปิดปลอกมือเล้วอ่ะปลอกก้อนิมปลอกเติมเวลาฉันเป็นกดตีถึงมาตุปีที่ลูกเตะโหลเข่าวไว้ไปสั้งปลอกบุญบุญบุญ ขลายบุญเอาบุญปันขายกันน่ะเปิดปันป้อนปอกผมสาธุว่าสาธุจะรู้อยากนั่งปอกไม่อยากน่อย่ากจะรู้ปอกผมเปี่ยวใจอ่ะออื <c oughs> ยำ้ำเลยบุญเติมเปี่ยวใจเต๋ อ, อ <c oughs> ตุปีนั้นผมจังจริจจาเวลากดที่ถึงมา เวลาฉันปิ้นกดติปอนนอ่ะผมจ้างให้เธอเอาเมือลุกจอมตัวจอมเห่กากดเตียกบ้าโลไรคีไครองมาก่อนนึงกับเเอายืนปันพออายืนปันเน่ยเออเนี่ยบุญนอะปอกขาลูกมันหันกันนั่นไงสาธุดีอะปอกมือหาเมมันเฮ้อแม่์ซูมาตัวหระเหมือนเนี่ยบุญอีปันจวนกันเมื่อเอาดิลําคิ ม, มหิมเมย เอาไปเน็บเม่มัน嘛การันอบเมมันก็มาตัวสองก็ก่ออามหน่อเหมือนอีกคนเปิดยังโจรกันเมื่อเอาหน่อบุญนี่หน่อยเอาที่แก่ไว้ตีไหนน่อยก่อนหอยทถนนี้สุมยินเปิดว่าบุญนี่เอาไว้กับตูวกับใจนี่ยินเลยมากประนั้นเขาเบี่ยงกันก่อขึงเบี่ยงกันก็อขึงเปิดเอาไว้กับตูวไปใจเขาไว้กับตูวกับใจเขาไว้ในตวงกําเนอดหน่อปีหน่อย สองก้อนนั่นก็ออกินบุญนั่นเข้าไปอ่ะพราะกินนี้ก็เลี้ยวตว้นาขั้นอ๋อบุญนี่มันมันมันแจมแเหมือนอีก็นี่ยน่อยะอ่าอันนี้เพราะขลบุญเป็นตูวเมีกก็ในขลัยก็มีอยู่นะก็เอาบุญปัน้นเมออกสัทธาเขาอ่าเพราะขลัยบุญเป็นตูอันนี้ขันมูจากบุญว่ะ ถ้าหูเจ้าบุญปมหยกศรัทธาเข้ามาหอมติบ้อมตาปากหนึ่งก็ดีเหงืหนึ่งก็ดีหมื่นก็ดีแสนก็ดีปมีตางเยิมใจมีตางเปี่ยวใจอันนั้นเป็นกุศลานาะบุญกับปมหยอกศรัทธาเขานะอันนี้ห้องว่าบุญมีตางปีติอิ่มใจเอ่อบุญนั่นที่เกิดขึ้นน ะ, ะกับปมหยอกศรัทธาเขาจานนี้ก็มีความสุขอุ่นตุนใจมุนเยิมมาวัดได้ตานเหงก็ดี อุ่นใจดีใจได้ตานปากหนึ่งก็ดีได้ตานหมื่นหนึ่งก็ดีอย่าพี่ไปคอยเปิด น, นะ่มอยากศรัทธาปนมีเงินปนตานสี่หมื่นตา 40, ตเขาพักก็นั้นตานหกแสนเขาตานสองเฮงอย่าพีคิดแค่นั้นถ้าว่าเจตนาเขาดีเออเขามีน่อยเขาตาหน่อ ย, าตานนอยแต่เจตนาเขาดีกุศลน า, าบุญกว่าลายหนำนักผ่าอาจารย์ก็อหนึ่งอยู่เมืองไทย ห้องจิวาหลวงพ่อพุท ธ, ธาตาสะหลวงพ่อพุท ธ, ธาตาตแต่เจ้าอุปมาการกระทำบุญของปลุกเสกสัทธาเหมือนการอาบน้ำสามผกาดการกระทำบุญข้อตีหนึ่งเหมือนการอาบน้ำขี่เปอรอะขี่ลำไรจิว่าอาบน้ำอยู่แต่ก็เป็นการอาบน้ำติีมปริสุทธาเมื่อใส่ไวยากเหมือนการกระทำบุญติหนึ่ง ของตานกลมป ร, ริสุทธาเมือตานกลมตั้งใจตานตานอยากก่อสํากินเนงตั้งหลังหนึ่งที่ไดบุญของตานนั่นที่ไดเป็นของตานอันป ร, ริสุทธาผมเหาะสะท่าเข้าไปเสาะไปหามาโดยเห ở, ื่อโดยแฮงโดยตัโดยใจโดยตินโดยมือเฮาเอ๋มอะไรไปลักอะไรไปโจนไปคุบไปจริงไปหิมเอาของเปินมาอันนี้เจต น, นาขอทีหนึง่ง เจตนาข้อที่สองมือตานยกสิบนิ้วใส่เก่าสาทุตานเตเตเจตนาอันที่สอันนี้สําคัญปอกมืออย่าพี่กินแหน่งนะเอามันนี่มาใส่ขันทมอุเทศนาธรรมใส่ไปสองเหงปอกมือให้เซตาใส่เหงให้ลอยเพราะจะนี่กินแหน่งนะกินแหนงกุศล า, านาบุญกล่อมไหลนำ้ำพะเจตนาสามอันนี้ทน มันแจมทนปริปุนาก็เหมือนการอาบน้าขี่เปื่อขี่หล่อมปมเมียกศรัทธาเป็นการอาบน้าอยู่แต่หวังปริสุทธามอดใส่การอาบน้าการกระทำบุญเหมือนการอานอบน้ำอบำอบน้าหอมเอาน้ำออบน้าหอมมาใส่ส บ, บ้ากาดอกไม้มาใส่อาบดีๆอันนี้ก็เหมือนการกระทำบุญขาดาสิรินาตา่มเมียกศรัทธา เปินตานมาหาเหงิงอะไรไอตองตาลหมื่นหนึ่งเปินตานหมื่นอะไรตาลเสียหนึ่งเฮาหนาใหญ่โ罗นี่คใครสิรรนาตาประกาศจืดอหลอ ง, งไปนกอมไหลจังมีในนี่เอ่อตานมาหาเหงิงเจ้าทุกปีเต็มจือไม่ออกตัวลงลงติดเสาวหันกำัำเนิด อันนี้เป็นการต้านเหมือนคารายสิรินาตาเมาสวรรค์เมา ว, วิมานวะ่ะตานมาปากหนึ่งผาถนาไหลกูมิวคือเตอร์ทีสามโตเมียวเขาคิดตตยมันจังกึ่งกันตานปากหนึ่งคือเตอร์ทีสามโตคือมีสวรรค์จันผาวิมานเกิดสวรรค์จันนั่นจันนี่มันกลมกึ่งกันไรฉะนั้นเจตนาต้องปริสุทธาิาการอาบการต้านเหมือนการอาบน้าอันติีสาม ก็คือการตานตีเหมือนกอันอาบนําอันมอดใส่วายะจีตนาสามอย่างเต็มทนปริปุนาว่าปะปมิออกสะทาของตานปริสุทธาเมื่อตานก็มีใจไข่ตานกันตานแล้วปอกเหมือม่อกินแหนงวะสามภ ก, การนี่เต็มทนบุญก็เลยหนับน ว, นว่าของตานเก่ของตานน้อยถ้าว่าของตานหนําแต่ว่าเจีตนาสามอย่างนี้เต็มทนบุญก็เลยน้อยเก๋อีบ้าง อันนี้ฝากไปถึงปมเหวี่ยงศรัทธาเขาอันนี้ข้อตีหนึ่งการต้านก่อที่แท้คือเกิดบุญไหลรมนี้การต้านมีสามพ ก, การหนึ่งอมิสตานตานโคของวัตถุเขาของเงินคำต่างๆ ต, า, ง ต, า, งตานามาลุกลุกไม่เซผาผาหอมโคนอนอันนี้เป็นอามิสตานสองมาธรรมมตาน ผมหยอกสัทธาได้ฟังทำในวันเมื่อนี้เอาปอกไปไข่เนหลูกเ น, นื้หลานเอาปอกไปสอนหลูกสอนหลานก็เป็นธรานมาตานได้พระละอานีสองหนำหรืออามิสตานตานวัตถุโคของตานอันโทนสอภัพยาตานอภัพยาตานคืออภัยเก่กันมันเอาโตดูดได้ว่าได้พิษได้หลองไปได้จ่าได้เกตกันไปวันไก่เฮินจับกันก็นกดี เป็นปีเป็นน่องกันก็ดีถ้าได้พิษใดปึงกันไปก็อภัยเกลกันอันนี้เป็นอภัยทานก็ได้อานิสงส์หนำปัจจุบันเหมือเหลียวอภัยทานหาได้ยากนะผมอยกศรัทธาไปตัวคนหนุ่มเหมือเหลียวโปเข่าปอยค่อยตัวนากันกับโบแว่นกอบคอยอ่ะยโหัมีตีนกันอีหนึ่งไงโบแว่นกอบคอยอ่ะอันนี้ก็มีเหมือนก็ พอเป็นหล่อนใจเขาปล่อยคอยตัวน้าเหรอนี่ใครมีปัญหาหรอหนี่อพิษพอถิงกันถ้าไปมาคอยตัวอุ้มว่าจันนั้นอุคิดแทงเมีลหนึ่งถ้าไปมาคอยตัวนะเฮางามลูกเปิดถึงต้ยเขาอ่ะแล้วคิดจะหนี้ก็มีปัญหานะบอกใจมั้ยจอพอคิดไม่มันตุยซั่งอ่ะเนี่ยมีปัญหาไอ้นี่กำผิดกันอ่ะเฮางามลูกให้ตัวมันตัวเหรอให้น้ำกามันปล่อยย่อยหเหรอ เมียศรัทธาเขาก็เหมือนกันนะพเปิดคอยก็เอางามปเปิดตัวเขาไปอยอสมอันนี้เรื่องการตานนะผมียากศรัทธาเขาก็การว่าติดใดต้านไดก็เป็นกุศลานาบุญตานสามอย่างนี้เป็นเหตุหเกิดบุญขึ้นมาพอเกิดบุญขึ้นมาผมอยากศรัทธาเขาก็มีจิตไหนจจเยิมในการติดการต้าน เหมือนปมหยอกสัทธาเขามาติบมาตาในวันเหมือนเนี้ยตุกหนุ่มเทาใจายิงไปตาเหมือนกันสิ่งสิ่งการติบการตานเป็นนาตีที่ปมหยอกสัทธาที่ไรเฮ็ดนะพอหอมเฮ็ดมือเล้วเขากลมจังไรเฮ็ดอ่ะคันเขาหนะปมหยอกสัทธานักผาตอาจารย์ว่าไปว่ามากก้อนอะไรเนี้พืดนินกันเนี่ย ย้ำตันเท่าน้ำหยาบนะโหเขา ม, ม่มดีเม่ก็เหมือนกันอ่ะเขามั่วดีติดมาถึงหลุกอายุยังหนุ่มอยู่มันตู้ปีสามแป้งว่าเมาเจ้าอ่ะวาสาก่อเกอายุก่อเกหน้าตากว่าหนุ่มอันนี้ันลองตัวเก่านะเออ ใ น, นเรื่องของการตีบการต้านนักผ่าอาจารย์เปิดว่าควนเทาไว ย, ยะควนเทาเนี่ยที่เลยแฮตุกไว ย, ยะนะสิบปีอาบน้ำเบาหนาวสาวปีแอวสาวเบากาย30 ส, สปีเบานายสองสาร4ี่สิปีแฮดการเหมือนฝ้าผ่าห้าสิบปีสาวน้อยดาเบาแจ๊บใจห0ิบปี ไอเหมือนฟ้านโค่เจ็ดสิบปีหมากโหดแ็มโตแปดสิบปีไข่โค่เหมือนไ ห, ห, ห่เก้าสิบปีใครกอดตายมึงไข่กอดตายผมเหี่ยวสะท้าเขาทีอยู่เก้าสิบปีเร่อยสาวอ่ะอ่าอันนี้เป็นกำเสรินนะเหี่ยวสะท้าอย่างใครฟังเสิน <c oughs> เสินอายุนะถึงร้อยปี เมียกสัทธาฟังตินีก็่าเฮียวยตินีอย่าพี่เป้บาตู้หยองตินใหมาเสิร์นกระมู่นเสิร์นอายุสิบปีแบบเคยเสิร์นปันนักศึกษาโหคงฟังอยู่มาตินีเป็นข้างปฐมะแท่งอุมหยำตินีแล้วก็ในเวงก็บปีนองกลมน้านะปะ๋อเหมียกสัทธาเป็นเป็นตู้บรรหนกตู้บรรหนกเต้เต้ เ, ตเนี่ยมาเวงเหมือนปอกอย่างหลอง <laughs> เอวมึงปรจอดแต่หลองวิ่ง <laughs> อายุคนเฮามีอยู่สิปีอานบน้ําบาหนาวใจเตะนะเหมือนเขาท้าเขาเป็นหลว่อนเนี่ยขิง ก, าก้าดกว่าอาบนำ้ำเลย้าวปีเอวสาวบากายคือเอยาาวส้ำหูเบือที่ไหนกอมือผีกําเป้ให้เพื่อกําเป้ให้หรอไอ้มกูมือนะปอเข้าเป็นบ่าวกว่าที่หู้อยู่ พอมีสาวไว้แต่พายเกะหามกว่าหามหรอกพอเมีว่ากมัมพังนะพอเมีดายอินเจ็บใจพอสาวยักอินอุยอินกำบรานเปิดมีตูเนอเรแขนหรือตูพักสาวยักแขนมือปอเมีดาเมียสัตย์ท่าก็เคยเป็นสาวแต่เคยยักษ์ว่า ยากบ่าวๆของปูเผาขึ้นโอ้ยนี่ก็ยาวไงโปโปเมดาเห็นานากัดนางออย่างขลังคระตุม้มเหมือนผกักเหมือนเฮ้อ์ตี่หล่อมฮะนี่มีอวบติเสิร์นประลืมไปนี่เอาคำปอดคำเป็ดนะเสิร์นอายุขามเอ้ ยันตั้นออกแต่นี่ฟังเอาเนื้มเมอยวสัทธาเขาเอ้ยกำบมราณขันเท่าว่าไยสิปีอาบน้ำกบโม่หนาวอย่า aren, Me, left, ไปล uhm. ืมใส่สูน่ะ ถึงอายุสาวปีมาดูหน้าแอวสาวกลมหูใหญ่สามสิบปีก็บ่าวหม้อหน่อยสองแสนสี่สิบปีมาเต้ดูหน้าเห็ดการดูก็อ่อเหมือนยังฟ้าผาห้ า, าสิบปีมาเต้สาวน้อยดากบห ม, ม้อเจ็บใจเออปี ฟังยาวก็คือยาวนะอย่าพิไปบาดตูหย่องเซินจังสุดเตอรหอมสุดหนักก็จังหาสิบกนว่าถึงอายุหกสิบปีมาเตะดูน้าสิ่งไอเหมือนฟันขุกแค่สิบปีมาเตะมาหกก็ปกเต็มตู แปดสิบปีมาแต่ดูนดอดมตัวนาคูเหมือนนาไฮเก้าสิบปีมาแต่ใครก็ตายใครก็ตายเออไม่ออกเขาแขนนลายเออปีปู่ว่าอยู่สิปู่ว่าออกกามเมื่อที่เมื่อซึกให้จังเสอือเนี่ยเลย่ะ 80ปีมานี่แม่ออกโคก็เหมือนไห้อ่ะเคียวก็เหลือ 2-3 งิามสี่พออยู่ใกล้ๆตัวโคเตีไห้ตียไห้ตัวไม่หมอกอันไหนเป็นหนาโค อ, อันไหนเป็นหนาไห้เอออายุคอนเฮานี่เหมือนนี่พอเมียเขาท้าเขาคิดไรปองไรเฮ็ดกุสะลาณาบุญอย่าปีล่าอย่าปีแปดนะ อย่าพี่ล่าอย่าปี่แปะต่างๆานวิธีตานั้นมีสามอย่างเหมือนติอูได้ว่าอย่าปี้ขือขาอย่าพี่หยอมวัตถุโค้กของก็ฮือลายตานธรรมะก็คือลายตานในหู้ก็ไปสอนหลูกสอนหลานมีอันติพิษติครองเป็นปีเป็นน่องวานไกเฮินจำก็ที่ไรข้ามาอาภัยเก่กันในการตีปการตานจิตนาสามภาคการหนึ่งแหลแมโทน หนึ่งของต้านดีสองมาเมื่อตานกว่าไข่ตานสา ม, มารถตานอย่าพิกินเนงีงตั้งทำไปปางหนึ่งเซิงกันนั่นกันนี่มาหนึกกินเนงีงเสียได้ตั้งหลังพระราในสองขมไหล น, น้ำนะผมเหยียบสะทากรรมนี้อันตี่แท้ที่เกิดบุญแทงก็คือศีลษะศีลษะก่อแท้ที่เกิดบุญไหล น, นะผมเหยียบสะทา กำนี้ผมอยากซัท่าศีนผมอยกากซัท่าออกมาขอกูปอกกูปอกกูปอกศีนเป็นสร้างเหมือนกอ็เกาะติ้มหูถามเตะนมีออกเขาตั้งหลังกูนเนื้อศีนหามีหลายคอสี่คอเลือกศีนหามีสี่คอเขาไปสอนหล่อนถามหล่อนเขาศีนหามีหลายคอเหมือนกอ็กาะว่าสองคอ มันก็ก่อสามคอศินหาเกาะหาคอติเตศีนี่มีหนาปลอมแยงสัทธาศีนหาปเอมแยงสัทธาก็หู้อยู่เยาะอ่ะเวีนเวจากการขาสัตว์ชีวิตสืบต่อไปถึงพ่อคอติหาคอติหาเนี่ยสุราเมรัยในธรรมว่าจันั้นแบ่งเป็นสองอย่างสุรานี่หมายถึงเาราเมรัยอันแท้ถือเมาแต่ปัจจุบันกาศสมัยเมื่อเลี้ยว มีหลายอย่างหลายภาคการเป็นยามายาเมาต่างๆนานาปูเจนีก็สอนเป็นสุราปกินแล้วเมาจจนีกัมบราณคนเทหว่าไว้เ่านั่นรอโดยเลิดสี่ห้ภาคการปลอมเมีกสตาหนึ่งเรารอได้เลิ ด, เดนกลิงหมาหมูรอได้เลิดนกว่าจือเหมือนก็ มอมซอปมเสียงพอกินเรามาเอาตีไหนมาว่ากมหมูอ่ะอันนี้จังมีผมเหรอเขาผมกินเราเตะเตะว่าสังให้บอกพอกินเรามาอู้อยู่ก็เร็วกว่ายังอูไหลอันนี้รอเดือนอกว่านอกก็จีจอจีจอตึงวันตึงวันจับอันรอเดือดนอกแ ท, ท, ท, ท, ท, ท, กทงฟักกานหนึ่งเปิ้ลว่ารอเดือดงู ตามปกตินี่งูมันจังเตี้ยวจับตังกุยไปกุยมาเหมือนก็คอนกินเหล่าปอจับเลือดงูตธิวายมาตั้งนี้มันใจป อ, อเขาเนอเหมือนก็ปอจับใส่เลืดงูเฮินอยู่นาวัดกระจุดที่ไปถึงไงๆอ่ะไปๆ ป, ปอกๆเปิดลําวงเปิดยังไปพ่องปอกพ่องอ่ะเปยังไปน้าเลือดเซบอก เด็กคนกินเหล่ากระจทที่ไปถึงง่ายๆอยู่นาวัดสองสามนาฬีกระจทยที่ไปถึงอเหมือนบอกก็อย่างเตียวๆไปไปปอกๆเวเฮิรนใต้เวเฮิรนเหนืออันนี้ก็มีแทงพระกาหนึ่งรเดืดลิงผมกินเหล่าเมื่อไงอยู่หออยู่เฮิรนพอกินเหล่ามาไข่มื่อติ๊กติ๊กตีไหนได้ยินมีปล่อย ตีไหนไมิตีโมนตีไหนไมิติเยอมใครเมือ่อติติกอะเมียเขามีโพจะหนีมียาเกอยู่นะประวัติตสัน้นฮะทำลงไปก่อนมาขอกวอะไรอวันนี้ปฏิบัติหลายก็โกวเวลามันพอนะทุกปีเขาปันเวลามาจับจับมันพอดีประว่า น, น้ําป้อนไปกําถูกใจน้ําก็ไมเหมี่ยนใจฟ้านะเอามันพอดีแทงฟากาหนึ่งรอโดย เลือดหมูตามปกติหมูนี่ไครนอนทีไหนก่อนอนเอามั้ยออกจังใจจีหูก่อนอนไรนําห้องก่อนอนไรตั้งตีนาก่อนอนไดคนกินเหลาเหมือนก็ก็เหมือนกันว่าผมเหนียวสตายพอจับแสนเลือดหมูทีไหนก่อนอนไรอ่ะจีหูก่อนอนไรเกาต้นไม้ก่อนนอนไรนอนป่าตีนาก่อนอนได พ้าเก้ยนวนจัยนั้นพองมเมวเขาจังมีเพราะมียิงกรรมน้าได้จับเหรอดนอกก่ะอูหลายหนึ่งไปยิ้มกันอูโจ้าจาจๆมันได้ปลอดจ่กลังไ ป, ไปไว้ไว้แนะท่งภากาหนึ่งเขาว่าลอได้เหรอดหมากินแล้วหายเมื่อว่าตุปี อตุ่ยปีภาษาตีปีไในว่าไห ว, วกรรมป้อหนึ่งว่ากันว่าใข่ใจกาอกินเราไข่ใจจ้ามไข่ใจให้นั่นนะพอกินแล้วให้ขึ้นมากําเร็วผ๋มกินให้พอกินแล้วไข่บุบไข่ตีไข่ต่อยนอนย่ำจางลูกเตอคือใต้ก็หามไปต่อยเหมันก่อมีพระดีต่อยไอืมึงจ่อยมาหามะมือต่อยมัน น, มม น, นี่นลูกป๋อมไหลเมื่อนี้ก็อจางมี อันนี้คือศีลหัศีลมีหลายประการนะผมเหวี่ยงสัทธาคอนบานคอนเฮินสร้างนาหอต่อเฮิรนเหมือนผมเหวี่ยงสัทธาก็กำศีลหักศีลแปดคอนนอนวัดศีลสองรอยสาวแจ๊ 200, 7, ของพระภิกขุเจา้าศีลสิบของสามเณรศีลสามร้อยสิบแอดของภิกขุนีภิกขุนีคือตู้ไม่ยิงเหวี่ยงสัทธาคานะําไลหันอะแปดปานพระเจ้ามี เมืองนอกก็มีเมืองเขยก็มีเมืองกะลาก็ยังมีอยู่ตู้ไม่ยิงเป็นพิกคูนี้แบบพอเป็นอุขเทาในห้องเป็นพิกคูพิกคูนี้นี่เป็นตู้ไม่ยิงมีอันนี้คือศีลหน้าตีของพายนาตีของมันกำเนีดศีลยังมีแท้งนะผมอยากศรัทธาเขาอินตรียะสังวราศีนว่าการสังรวมระวังตาหูดัง ลิ้นตู้ใจเขานี่ก็ห้องศีลเหมือนกันอ่ะเพราะว่าปอมีอยวษรถ้าเขามีตาค่อยตัวแต่สิ่งที่อันดีดูดีตัวตัยแต่สิ่งตีดีตีงามแฮคือใจจื่นใจบ้านอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลมีหูดังดอมดอันเดียนงามอย่าพิบดออันตัวอันแม่นน่ยสังล้อมระวังก็เป็นการรักษาศีลมีใจคิดแต่สิ่งตีดีตีงาม อย่าพิคิดวาหือเปินอย่าพิคิดจู้เปินอย่าพิคิดส้อนอเปินจะนี่ก็เป็นการหักษาศีลภาษาปาลีห้องว่าอินตรียะสังวรศีลศีนทางภการหนึ่งปัจจยะสันนิสิตาศีลศีนคือการบระปกใจสอยโคหควโคหืนของเราผมอยากสัทธาเข้าหมอใจหมอสอยหมอแยงติซือแยงตีาย โคเฮนเป็นคูน่เฮนจ้อนเป็นจ้อนหวานเป็นหวานจานเป็นจานเมือนี่ก็เป็นการหักษาศีลเพจไห้เป็นตีหมอซื่อหมอจ่ายหมอใจหมอซอยนี่ก็เป็นการรักษาศีลเหมือนกันนะ่ะภาษาปารีสของว่าปัจจยะสันนิสิตาศีนนะผมเหนียวซะท่าโคโหโคเฮนก็ป้อหมอแก่หอเคอย่าพิสูนชานอย่าไปรอกันพาตรงกีเดินึงซีนมันใกล้ร้องกันนะเหนียว ผมไหวดีๆเอา้าลูกเจ้ามาโผหนุ่งิินมีหนุ่งพาตรงกี <c oughs> ผิดไดให้เป็นตีเป็นตางก็เป็นการหักษาศีลปาฏิโมกข์สังวรศีลศีลเกือการหักษาจอมธรรมปาฏิโมกข์อันนี้สำหรับพระภิกขุเขาเจ้า <c oughs> นะแต่ว่ายโยโยมาสำหรับคนเฮือนก็เอาใจได้เว้นจากบาป กะตั้มแต่ความดีแตฮตคือจิตมัดใสว่าสามประการนี่ติปมียกศรัทธาเที่ได้นแฮตหลายปองอันนี้ปมยียกศรัทธาเขามาขอศีนพอหู้สินมันี่ยาบปมยียกศรัทธาเขาไม่ขอศีนก็มีสินะมีไม่ออกก็หนึ่งตีเมืองไทยมันไปขอศีนไปตึงวันไปเจ้ากอมือกลางวันก อ, อมือลามากอมือขอเถีงหลวอนใจอันไปจมขอนตั้งเวียดปา่าจมผังน้อง ถามไม่ปาไปวัดไปซะอ่ะฮู้ไปขอศีลเนอะไปขอทุกวันเท่านั้นแหะวันนี้สามปอกอหายใจวันนสามปอกอไรนําในเอากาศีน่เนี่ยเอามาตัวดูอีกวะมันกุกใจไรกับนี่เหมือนหือเตี้ยนเนี่ยศีนเนี่ยเตี้ยมันเนมันเนี่ยคุกใจไรไปขอมาสุดปีสุดโจนี่นะมาศีนเหมือนหือกวมมันก็เลยหันเหมี่ยกว่นี่ เลี่ยนปอกไปวัดไปหาตู้ปีปีอาลูขคาลืมไปอาเจวายข้ามาขอศีนเพราหืงท่านนี่ยานี่ข้ากลอมหันตู้สีนที่ปอกเจ้าสินมาปันา้นคาลเหมือเเล้วหลอนใจแวทป่าอยู่พังน้องมันแข่หันเขาว่าสีนี้เหมือนหืตู้ปีวัดที่ใบฟังซอบพอดิฉิกถึงหูมันกลอมเข้าใจไม่ออกนี่กลอมเข้าใจเออตู้ปีกล่อมใจเอ อ, เ อ, อไปนิกกรรมก็ไหนวะ กูปีกเอาเอากัปตีนมามีกัปตีนที่ไปใส่ศีลแลนเขาเ้ามือตั้งน้ำห่วงสามพันปูการมาวะนะมีปูโตงเนีย่ยปูสน ก, กัปตีนเนี่ยฮับผาดีดีไม่ออกอันนี้ศีลมั้งมันมาฟังโดเสียงโอเโคโอเคอยู่ตั้งในเนาะกัปตีนมันหมืดนโลเออเอาไปปืดเด็กเขาตัวเลยวะไม่ออกนี่ก่อไปอะ่ะ พอไปถึงฝั่งน้องไปหันหลอนใจก็มามาตัวศีลในมือเนี่ยมาตัวจอกมือตีตัวนะมันก็มาปิดกับเตนเอามือจอกที่ยุบศีลมาตัวเสฟปูดีมือกับนี่มันแพียนปั๊บอีกก่ะตอกน้องมาคำเดียว่าเออศีลนี่หมอครอบมือก็นด้วยไม่เล่นหรอสบายอาศีลจัหมอครอบมือเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเอามือขอศีลให้เปล่ มียกสัทธาเขาอย่าพิคไรสินจะนั่นนะกรรมสินจั่งครอบมืออันนี้พอมียกสัทธาเขาหมู่หักษาสินตั้งแต่สินหามือตั้งแต่หม้ อ, อร่วมระวังตาใจของเขาหมอกคิดแต่สิ่งดีดีหมอตุ้แต่สิ่งที่ดี ต, ติ่ง้งามก็เป็นการหักษาศีลอันนี้ก่อให้เเกิดบุญขึ้นมานะให้เกิดบุญขึ้นมาให้เธอมีความสุขอุ่นตุ่นใจ อยู่จาดนี่ก็เป็นค้อนตี ง, งามค้อนมีศีนิ่งามนะผมเยาะสาัทธาผมมีสีนิ่งามเป็นค้อนใจให้ใจเมือกใจตีบใจตันอู ก, กรรม ล, ล้อหลหมอเป็ดหมอหลายหมอจุ๋มหมอสบอบเปื่นแต่ถ้าค้อนมีสีงามผมเยาะสัทธาเขาแขวนข้นมีศีง่ายไงคูบาเขาเนี่ยคูบาวัดหมือนเรือของเขาเนี่ย เ่าไปเย่าโผล่โป่งอกนะกันโตสัมมากขาหรอแต่ดีฮะยังงามงามแบบคนเทางามเปิมทาเตียงไก่งามเปิดขวค น, นงามเปิดเยี่ยมยองนันใจยอยู่เหมือนก็มีศีลไปยองไปเตียงเหมือเหลือนี่ยเมยยิงไปกั น, นหนำนาหิวก็ไปจันมาไหวตีคอต้องกั้งเหยวก็มาจันมาไหวเนาะ พราะมันนํามาสัมผัสออกแลยิบคือกร อ, อยูเมืนอนี้ก็มีแต่งามต้องงามมาจากในใจเหมียวก็นะงามออกมาจากในจิตในใจเฮ้ยมีศีลจังตีงามคนเทาเหมือนก็มีศีลหมอพ้องหมอดาบุบตีลูกเตาหลานต้อนลูกกาไขไปหาลูกกาไขไปใจลูกกาไขไปตยุยเพราะว่ามีศีลพอคนเทาก็ไหน มีศีลหลบล้านก็ไมไข่ไปหาหมอป้องหมอลาหมอป้องหมอบุญผู้ก็หมออยู่นะถ้าเขาว่าปอเท้ามาที่บุญเเมื่อหนุ่มยังหมอป้องก็ฮือได้งามมาจากในจิตในใจคือมีศีลพระปิคุสังฆาต่านเจ้าหลายตอนเท้าไปเหยาะ ก, ก็ยังมีศีลเพราะมีศีลก็งามคือผมอยากศรัทธาเขาในหักสาศีล เป็นติมาของบุญว่าบุญเกิดจากการหักษาศีลบุญเกิดทั้งอย่างหนึ่งเกิดจากการภาวนาภาวนาปมเหาะสัทธาเหมือนก็กลมปองใจกัมบูราณเฮามีสุภาษิตเมื่อเก่าภาวนาสุดปีอาวจีเวสุรอดปมเหาะสัทธาก็าปวอาจารย์อย่างปองใจ <laughs> ปวาร์อาจารย์อยู่จําถามนําินกันเนี่ย S <S มันีตั้งใจฟังเหมือนซึนตุปปิาสามแจ้งถามบินนาไปตังปุ่นอยู่ <S <S <S อย่าปีกโกน้าเหี่ยวเข้าไปไกลน่ะตัวหมันตังหลังบนขณะเสด็อดำก่อนดำมันจะมาอยู่ตี่มืดตัวหมันการภาวนาบมเหมียวสัสแทบแปลว่าการยอกจิตยอกใจคือสูงขึ้นการยกจิตยอกใจคือสูงขึ้น สูงขึ้นจากตีนไหนโดยธรรมดาปกติใจเข้าอยู่ต่ำเกิด ก, กิ่งโกนุกครับโดยโลพาโตสะโมหะโลพาหนําโตสะใจปอดใจดําใส่กาหนําโมหะขี้ร้องขี้ลืมยุ่มเปิดไงนะคนมีโมหะในยุมเปิดไงร้องร้องลืมลืมโดยไม่ยิงเนี่ยคำโบราณเปิดสอนนี่ลานหูเนี่ยไม่ออก ปีหูนี่นะมีกติสอนใจใจใสหื่งงามแต่ว่าใส่หื้หูนักอีหนึ่งอย่อยาไปฟังกําง่ายเมื่อเลี้ยวควันหูเบาหนับมีออกไปเตล่อนยิงเขา้าจี้หูรูจี้ตั้งแต่แถวเหนือได้ลองมากำเดียวหอยปอาใสอิลุมปมปิมมันก็จี้สองหูมันก็สั่มี อย่าพี่หูเบ้าอย่าพีฟังกําง่ายอันนี้คนมีโมหะยุ่มเป็นไงเจา้าศีลธรรมป่อปว่าก็มือกันเพรมือป่าโมดินเจา้าศีลธรรมซึกงเยา ว, ว่าอ๋นอน่อมือซึ้งเป็นอันมือไใบสายอยู่นี่หมอว่ <c ười> <c ười> อาตัวแข็มแข็มพิจารณาแข็มแข็มนะก้องว่าเจ้าศีลธรรมปอเจ้าศีลมันปอกก็มือเพมือป่าโมดินก็มีพิจารณาตัวดีๆ ตัวหึงตัวเข้มแข็งไม่มนึงน่ะฝากค่ามเมียกศรัทธาเข้าคนมีโมหะหน้ำหมักหลองมักลืมมักยุม่มเป็นายคนมีโตชาหนําเป็นคนมักจ่าหมักกีดพอหมักจ่ามักกีดทาหม่างที่งามาหลอมียกจาดนี่กลมงามเลยจาดนาแค่นางามอ่ะจาดนี่เกิดมางามไม่พอจ้าโบกีดแค้เกิดมาแทงจาดกันางามอ่ะคนหมากกินของเก่าเขาเกิดมาจาดนี่มีเงินมีคํากว่าดี เกิดมาห่างดีห่างงามก็ดีมีปิญญาปัญญาก็ดีหูรักจลาดผาดพายก็ดีถ้ายังเฮ็ดคือดีขึ้นไปแทงเอออุ้งามมึงโก้ไปมีเงินเป็นสถิติมึงโก้ไปเฮ็ดตั้งห้ตั้งหมึกตั้งเลือเกิดมาจากนาตุ๊ผ่านหรือเก่าเป็นคำว่ากินของเก่าปลอมหยอกซัตหาเขามีก็ก็กินแทงตานแทงปั่นเปียงปลาดมีแทงจานหน้าก็มีแทงหรือเก่านี่แทง แต่ถวําเมดจาน้ากรตกเจ้าตกต่ํากินของเก่าการยอกจิตยอกใจคือการภาวนาพอห่อหนังรับตาภาวนาเปิดห้องวัดจิตตาภาวนาวบบเฮ็ดคือใจมันเกลนเฮ็ดคือใจมีสติพอเท้าใจเขามีสติใจเขามันเกลนอันประมาตะพมาดหลงลืมก่ติเมียพอคนมีสมาธิมีจิตใจมันเกลียนเห็นหลีกก็จําได้ง่ายเราหลีกก็จําได้ง่าย เ่ามากลมหลองลึมเหมือนก็เทามาหลงหลงลืมลืมลูกหลานมาหามู่จับมาหาไพ่ก็มีเมตเฒามีเสียงกล่ำสุดบุญไปเยอะเข่าเฮินไปโหผ้ามาหาไพ่ก็ก่าวจืงกันจังที่หูนะหลงหลง ล, ลืมลืมก็มีฉะนั้นการภาวนาในตงังพุทธศาสนาเขามีสองอย่างสองภาค ก, การนะผมเอกสัทธาหนึ่งสมถะกรรมฐาน สองวิปปัสนากรรมฐานสมถะกรมมะฐานที่ละเอดออนต่างวิปปัสนาสมถะกรมมฐานนังภาวานาเอาจิตเอาใจไว้ตีใดตีหนึ่งคือใจเขานิมใจเขาติ่งใจเขามันพอใจเขานิมใจเขาติ่งใจเขามันเยาะกา น, นั่นจังยอกจิตยอกใจคืนถึงวิปปัสนาว่าพิจารณาตูใจเขานี่เป็นอนิจจังตุก ข, ขังอนัตตาแบบเป็นสองบัรดเป็นสองตอนนะพ่อแมส่สัต t h พอเข้ามาหนังรับตากับพิจารณาโอ้ตูวตู่ตูวแม่นตัวเหน่าตัวใกล้กับเดียวก็ใจกองเป็นสมาธิมันก็หันทําไรเขาที่ไดปฏิบัติสมถะกับอันตังให้ถือใจนิ่มใจเต่งใจมันพอใจนิ่มใจเต่งใจมันพอเอาเมื่อเขาปังเปิดตีศสนาธรรมก็ดีปังภาวนาก็ดีแฮชิฟวันเปิดสอนนะผมอยากศรัทธาตั้งแต่สาวันออนตังเขาที่ใดแฮสมาธวิปัสสนาคือใจนิ่มใจติ่งใจมัน กเจ็ดวันขึ้นมาห้าวันขึ้นมาเปินจังที่สอนปัญวิปูปสนากรรมฐานเป็นสองปอดไว้นี่ฝากผมหยอกสัทธาติวเตสนาในผมหยอกสัทธาเหมือเจ้าว่าภาวนาสุด ป, ปีเอเวจีบอกสุลอดนั้นเหมือนหือมือก่อนมีพระร า, าีก็หนึ่งพระ า, าีตออหนึ่งแล้วก็เมีคำรังก็อหนึ่งอยู่เฮือนติดกัน พระสติกอยู่ตู้เมฆคำรังอยู่เฮิร์นปออาจารย์จะงหัจักเมฆคำรังเมื่อพูกอาจารย์พัดมาหนังว่าถามนําเมฆคำรังเป็นกัมเก่าเฮานะปะออุกรรมสมัยใหม่กว่าเมฆขายตู้กัมเฮงว่าเมฆคำรังกัมในธรรมอยู่เฮินติดกัน มีจื่อมีเสียงเหมือนกันนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีเป็นเทาว่านักกโสเพณีเป๋วว่านางยิงงามเมืองแบบผมเหยวยบเสถ่ามีคำรังนี่นะพระเจ้าเมืองแตีงตั้งปั่นเกินใจว่าที่เป็นก็เป็ได้ง่ายๆมีขายตัวนี้มีจื่อมีเสียงน่ะไปมาเหว่ในวานในเมืองบอกเมืองจริงตุงเขามีเนี่ยแขกที่ไหนมากกว่าตื้นที่ได้มือหานางเนี่ยมีจื่อมีเสียงน่ะ พระราศีก็นี่ก็แกะนา อ, องนาเมียนาไพ่กบมือหากนันี่สองก็คนนี้อยู่มาปอเทาตายมือกนันนี่ตายมือมือหาจ่ายยอมพิบาลจ่ายยอมพิบานก็มาเจดถามตัวยระ ม, มาตัวอย่ยางกับตัดสินนอ้กันี่อา้าเมฆคำลังนี่ที่ไรเมื่ออยู่สวรรค์พระรี น, าานี่ที่ไรเมื่อตอกเหมือนหอก พอละศียอดมือขึ้นใจกลางเจ้าเจ้าตัวดีดีรู้ข้านิพาวนาสูดปีสุ้ปีนี่ฮห้ตั้งดีพอแต่นี้เออมีซิดยุ่มมาไวมาสาเปิดผลหนับถือกับือเมื่อข้าอยู่เมืองควน่ะเจ้าอ่านเส้นมันพิษเลยเจ้าตัวดีดีแหละจ๋าอย่างพิบานกลมาตัวแทงกรรมใจพิษอธิบายบัณฑ์เมฆคำรังนี่เหมือมันตีนอนนี่มันนับถือเจ้ามันไวสามปอกตีมอนโหยนอนตุกคืนตุกคืน่ะ โดยภ า, า, าลานาบนุญกุศลานาบุญนี่จังไรเมื่อคืนสวรรค์เออเจ้าก็เหมือนกันเนาะเจ้านั่งภาวนาเดี๋ยวก็คิดถึงแม่คำลังลูกนั่งภาวนาจิตใจคิดถึงแม่คำรังใจคิดถึงแม่ค้ายโต้ให้สังยอยู่เนาะลูกจํามืก่องอกตัวแครมหูกันลู้โดยเหตุนี่แหละจังว่าตัดสิน คือพระฤาษีไปต๊อกมณหองแม่คำลังขึ้นสวรรค์ตุปีเขากรมเจไปอยู่ในวัดอะไรที่ได้ขึ้นสวรรค์นนะ <c oughs> เป็นไปเลยอยู่ตีเฮาหม้อหอมจิตหอมใจนะผมเหียงสะท้าเออผู้ตรู้กว่าที่หอมอะไรคือก่อมั <c> ่ว <oughs> ก่อยออดก่อยกันก่อยหอมจิตหอมใจไปพอหอมจิตหอมใจอะไรเป็นกุศลานาบูนา สมอย่างสามภาคกานี่เป็นกุศลานะบุญเฮตือเกิดบุญหนึ่งตาหน้าเฮตีเอาเกิดบุญสองศีลษะเฮตือเกิดบุญสามภาวนาเฮต้เกิดบุญบุญนี่แหละเอาความสุขมาฮือเฮามเมื่อเฮาอยู่จานนี้เฮาก็มีความสุขอุ่นตุ่นใจเมียกศรัทธาเข้าตุย้ยเปินก๋วยยออันเปิดหูวเปิดหันทมเปิดก่อมวนเยิมในใจนาหอโตเ้เฮาก็มีกระตังสุขอุ่นตุ่นใจโผเมเป็นดกเป็นเตา่ากับมีผิดกันเปินกินกับไรกินเปิดทานกับไรทานกัมี่ ในส่วนอันเป็นปี่เป็นน่องเปิลโกยเยิมนะไพ่ก่อเข่าหากันตายมือก่อมือสวรรค์แท่งแล้วก็มีกุศลานาบุญแพ่พายไปถึงยาติกาอันใดหลงรับดับขันดับวายไปเขาได้มาตานก่ออุติสานาบุญไปถึงโป๋ถึงแม่นะไปถึงปป๋ถึงเม่มีพระลัอันนี้สองถึงจาดปานิจาดไปนะเาเฮลเฮดสามอย่างนี้เต็มทนมีออกสัทธาเขาอย่าปินนักไปทางใดทางหนึ่ง นักไปต่างตานไงศีลเอาภาวนาเอามันกลอมเต็มทุนไลยไหลพระอานีสองอยู่กำศีลอย่างเดียวกะตาขนมตานะภาวนาของภาวนาให้ดีกลอมไหลหนังภาวนาสุด ป, ปีสุดโจหติบตานสิปอกอันนี้กลอมเต็มทุนไลยสามอย่างสามภาคการนี่เป็นกองศาสนาพระเจ้าได้เตะเตะสนาไว้ผมอยกากศรัทธาก็อย่าไปหลองลืมคือผมอยกากศรัทธาก็จําไว้ใส่จิตใส่ใจ เมื่อไรมีติดมีตา我ก็นึกถึงในใจเฮาไลตริบได้ตาเฮาได้ยินน้ำมาจือเสียงเปื่นพากาศก็ไหวจิตในใจเยืม่มสาธุอนุโมตนาติเปิ่นได้ติบได้ตาเฮาคนไรบุญะแต่ถ้าไปคอยเปืน่นเฮาไรบาปก็เร็วนะผมยกสัทธาสมัยก่อนสุปปุทัเกิดมาเป็นหิตเป็นเฮา ได้หันพระเจ้าหันควันมุ้งกันอยู่เหมือนเขามาฟังทำเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆมันเป็นคนขอคนย้อนมันก็มาเลยเออผลที่แจกเขาแจกพักเยเปะผลแจกอาหารเยอะผนแจกของโยอมันก็มาตัวมาหันพระเจ้าหนังตีสนะทำอยู่เโอ้ผลแจกสังหรณิพระเจ้าตีศนะทำหนังฟังเลยกันนะการนี้มันหนังฟังไปหนังฟังไปมันเลยเป็นโสดาปฏิภาณได้หันทำจันตีหนึ่ง กำเนิดและหันทั้งจันติหนึ่งมันปอกมือโวมาโตมันตายกับเดียวอ่ะโวมาโตมันตายสังฆาตั้งหลายก่อนมาไว้สาถามพระพุทธเจ้าจ่ า, จายสุปาปุท thagoni มันตีมื่อตายที่เมื่อเกิดที่ไหนพระเจ้ากว่าเกิดสวรรค์มันได้ถึงโสตาปตฏิภาละแทงเจ็ดจดกาก่อนี่ได้เป็นพร ะ, ะหันตาแต่ไว้สั่งเลยถูกโวตอตาย นีสังเลยเกิดมาเป็นหิตเป็นเฮาเป็นคนอ้อนโขคอนยอนเพราะว่าจอดปางก่อนนะ่ะพระพุทธเจ้าตีชนาไว้ว่าเมื่อจอดปางนั่นมันหันพระรหันตามาปิณฑิบานมันหันหลยมันนึกในใจโหคันคีฮิตขีเฮาดีนะอย่างมากลายนี่เนะนี่ยทำน้ําลายใส่โดยการทำน้ําลายใส่การนี่กันนะผมอยู่สัตยาแค่ดืไปตอกมันหอกหลายห้อยหลายจาด มาเกิดเป็นคอนก็เ ป, นเป็นฮิตเป็น h ้าแทงง่งายๆกันนี่มีออกสัทธาเขาไม่ได้ตั้งสติแฮดไปกรรมเดียวไกันแต่โปรได้ตั้งสติแฮดกุศลานาบุญ น, น้อยก็ไปเกิดสวรรค์ไลรอะราโมกาลานาถนตอนมีเตจ่าระทีสามารถไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปหันนางฝ่ามากันเป็นหมู่งามบางงามอะโ้ก็หมหันในบอกนะที่บางงามนี่นะ นางฝ้านิงงามมางามปากันชันมาพาโปผิวย่อย ย, อย่อยอะพระมกขละนาถมกขลานาถเถิเนี่ยก็ไปถามเมือ่ออยู่เมืองควนนี่ได้ติบไดตานซั่งมานางฝ้าอายมัดเก่าเก่าวมาแล้วแต่เมื่อเก่ามนุษย์สรุปเมืองควนคือเป็นไรฮะคำศิลกินตานจอมจำใจไรเก่าวเหมือนก็อไรตานเขากว่าหนึ่งเหมือนก็ได้ตา น, าววนหนมักไ ม, กไม่ห่วยหนึ่ง เหมือนก็ได้ตานหมากเตียงหัวหนึ่งตายเมื่อยังไปเกิดสวรรค์ใ น, หนเหมือนผมยอยวกสัทธาเข้ามากำมสินกินตานเขาปฏิบาสกรรมในวันมะนีในตีบใดตาในมกลาได้มาฟังทำแทงไวจิตไหนใจเยิมเจว่าคิดตู้อย่างมาตีสนานะไปไปนะรกอ่ะ น, นะพอไวจิตไหนใจเยิมคิดง่ายๆผมสารตายเมื่อเกิดสวรรค์ก็เดียวอ่ะมีไม่ออกก็หนึ่งให้ตั้งศีลตั้งบุญในจําลากวอดเพียวสาลาวิหาร ตายเมื่อไปเกิดสวรรค์จันตีหนึ่งปออาจารย์ลาบ ะ, ะสะวรรค์จันสวรรค์มีหลายจันแม่ออกข้าจังหูวสวรรค์มีหลายจันสวรรค์มีหกจันจันตีหนึ่งจันต้าวเจตุลูกกระบานต่งสี่มีเขตแดนเป็นสี่เจงไว้กําเดียวแม่ออกก็นี่ตายเมื่อเกิดเข้าเมือในกลางเขตดแดนมอนกัาเด็ว ติดตอกเขตแดนต่าตอนไหนกวามใจตังไงเต่าเวสุวันวิรูปักวิรุณหามนิเต่าตังสี่นี่มันเกิดเขตแดนไปต่างก็โกต่างขลายนางฟ้าไปเป็นปริวานต้อลองกันไหลไปหาเพียอินเพียอินก็เจ็ดถามด้วยเออซูมีการสังไหยมาอ่าเหมือเหลียวมีนางฟ้าเกิดใหม่การเกิดมีสี่อย่างนะผมอยากสัตวเกิดในขีไข่ก็มีเหมือนนอนเะนี่เกิดในไข่เหมือนนกเหมือนไก่ เกิดในตอ่งเหมือนควนเหมือนวูอุปาปาติกะเกิดใหญ่กําเร็วเหมือนค้อนอตายไปเกิดสวรรค์ตายไปเกิดมนาหกเป็นตูวกําเร็วใหญ่กําเร็วมห้องว่าเกิดแบบอุปาปาติกะไปเกิดนาหิวหนังย่านมันใจดีเฮานี่นะตายไปเกิดเป็นสาวน้อยกําเริ่มเหมือนซิบหาซิพอกอหูงามน่ะเมียก็นีน่ไพกก็ขะไลเต้าตั้งสีตอกล่องกันไหลไปหาพิยาอินคือพิยาอินตัดศีลปัน พยยี่เอก็ถามด้วยเจ้าโน่เหมือเจ้าหนันนั่งนีนเป็นหื้อไว้คนนี้ก็ว่าอา้ลูเจ้าว่าพราะมันเกิดขึ้นมานี่คาไปหันใสนี่หัวใจขันในเหมือนกอบซึกงแบบเต้นทุกทุกทันอนก้มลับกินข้าวก้มหวานไข่หันไข่ครอยไข่ตัวนาดิเตียเออแทงก็โนูเป็นหือ้อแทงก็ก็กว่าอา้าลูตั้งแต่คาหานันมานีตาขนันหนหลังหนูมันเหมือนตาปูอ่าเจ้าว่า งามแถ่นั่นนะปูนี่ตาเนี่หลั่ออกมากเลยนะ้ำหยอกนะตาเนี่ยหลั่องออกมาเหมือนตาบัวจะว่าข้าจังเอาเข้าขึ้นจะตัวรู้เแทงก่อหนึ่งเอาบนหรือไม่อาลขานี่ใจขามือหันมันนางนี่นะเหมือนนําตกตัดตกลองทั้งทั้ ง, ท, งทั้งอ่ะมันจังนิม้มจังเสามจังยุดมันจังอย่างไรคะแทงกอมม่อซเหมือนหรืออาขาก่อ ใจขานี้เหมือหันมันนางก่อใจคานี้เหมือนตุ้งนี่ปักไว้ปลายเสาสูงๆเหนือดอยบนหนะไว้วิดพิดพิดพิดพิดกับเดียวจังนิ้มจางเสาวไรต่างหักนี่จางเป็นไรนะหนอสตีปีหนอเออผมอยากศรัทธาเขามีต่างหักอยู่เปิดว่าไว้พอหักกันเต้เต้ไปเอี่ยวหาหันเลหันหนะไลยหันเทอนยังใจดีหันสื้อหันพาก็ยังใจดี หันแคบกันใจดีเรือเ่อยไปเนี่ยพอหันแคบเนี่ออกมันยังอยู่เฮิรนอยู่ผมหันแคบนี่มันไปตินไหนอเ น, นี่ยไปเหยียบจอมบ่าวโยมไม่ใจตั้งหักนะก็เปลยนไปไหนตีวับุตร ส, สี่ก้อนี่เก่าเนี่ยพียรินอ่ะพียรินว่าฮือเพียรินวะสู้สี่กอนนี่เลหันนางยียบก็ยังถึงตายวะยังอยู่เลยกูโก แต่เ้าเป็นพยาอินิผมไหลนังนี่เขาตายเออสุดท้ายสีก็กอ๋อไหลถอยต้านพยอีนเนี่ย น, นางฝากกันนันนะเออพายก่อยหิมตีบะบูตตีบะดาเกาะา่ายนะอันข่ายตั้งศีลตั้งบุญในมาเตเตสนานิผมเหวี่ยเข้าก็สมโกนเก็บเวลาเนาะเวลาก็จับจับนะแปดโมงไปสิบอ่า สัมถิไรเข้ามานาตกรรมแทงในะเตเตสนาปันเหมียวเข้าปดๆยอ ๆ, ยอๆปฏิี่วายาวเตเตตั้งหลังกับปะหางาับหางับอ่ ะ, ๆๆอะ <c oughs> ตื่ปีเขา้าเกาที่เข้ามานาตกรรมนะฝากกุสลานาบุนีบอกไปถึงปมหยอกสัทาแล้วก็คือปมหยอกสัทาทุกภูทุกคนเนี่ยนําเอาไปปฏิบัติกรรมเจียงเยดเ็ดแปลงในการสร้างนาหอตอห่อเพิ่น คือมีความหูสองอย่างสองประการความหูอันตีหนึ่งความหูตังโลกผ ม, กกาามเหยียบสัทธาก็ศึกษาหมเฮียนเอาการกล้าการขายการสร้างนาห้อต่อเฮิร์นแฮทือที่หังมีดีแปน้นความหูอันตีสองคือความหูตังธรรมตาหนาสีลภาวานาะที่ไรกอบกุ้งกันมอือต้องมีสองอย่างมีความหูตังโลกเจับสูงสูงเต็มมีความหูตังธรรมก็กลายเป็นค้นหายข้นหมึกข้นเลึงแฮทพิษใหญ่พิษหลงไปไหล่ มีกากาตั้งหูตั้งหลูกตั้งทำไกว่ก่อมีปัญญาตัดที่สร้างหลูกไรเออไปสร้างเนา ห, ตหอตเฮิรนกลมกลุ่มไรฝากผมเหยียบสัทธาเขาสองอย่างสองฝักการในวันมือนี้นะก็ฝากไว้ที่ปันป้อนผมเหยียบสัทธาเขาเป็นกำสืนมใครฟังค่ะว่าใครฟังข้อเสีงยงเอันหนึ่งหรอ ยังไมปอดหนึ่งจับจ้ำมัวฝากเป็นกมเสืนเอนี่อัปันป้อนผมเนี่สัทหาก็เลยนอนรับฝันดีเลยเตอ่์อทีสามตัวอำหม อ, อ, อกอันนี้คำเลยอย่างมีกกังซูเตอหรอก <c ười> กมเสิร์ติ้มหมอกอะ เราตู้ลูกจากปันป้อนสัทธาเขาเผกจนล้วนเลยจุงย่อมือใบวับกัมผ้าก่าวไว้อย่าฮือกาดไก่กาสปาโรกาสปาพยาฮือไก่ป้อนจากตกภผักนาไก่แล้วขออย่ามาจำเนือปี แม่นว่าสัทธาเขานอนหลับก็คือได้เงินหมึ่นกันว่าปลอมหยอกสัทธาเขาตื่นแล้วก็คือยได้เงินแสนกันว่าปลอมหยอกสัทธาเขาแปลีนมือรู้ก็คือได้เงินล้านขี้ขานก็ซ้ำคือได้แป็นดีคือสัทธาเขามีเงินคำหมั่นมุนตุนเต้ามีเนื้อเบาซ้าปานเอวาดา คือมีรูปสุภาโอแก้วเือเมียวเขาแอวแคลวพอเหมือนด่างแอวแตนเ้อปีพอว่าหลายกคำปิมาดบันหอยที่อายอ่ ะ, <laughs> อ ะ, อะก่อนเลยเตเตสะนะทรมาในวันเหมือนี้ก่อนถือว่าสำกุลเกีก่กาลาเวลา พระสังฆาเขาเจ้าก่อที่ไลสืบแพทย์กองวัดปฏิบัติสืบต่อไปถ้ายังมีโอกาสปีนาฝ่าใหม่ก็ดีเหมือไหนก็ดีเนาะไปมาเตะเตสนาธรรมนี้ผมอยากสัทธาเขาแทียงวันนี้ถือว่าอุตลูกก็มีบุญกับผมอยากสัทธาเขาผมอยากสัทธาก็ก็มีบุญหอมกันเอาอะไรมาติดมาตานหอมกันเกิดมาจากนาปังได้ก็เออท่อเบือยากันแทงตีสุดท้ายแห่งพระธรร ม, มเตสนานี้ ก็ขออมอยากสัทธาตุกภูตุกคนหือจเจริญไปโดยปอนสีผการมีอายุมันเกี่ยนยืนยาวมีวันน้าผิวพันธ์มดดสยายวิญามีสุขะสุขกายสุขใจมีปะละมีแห่งกายมีแห่งใจเตสนาวัสานีในติสุดแห่งเตสนานี่ก็หันว่าสมก้นเก่าการละเวลาเหมือนดั่งอุตุลูกได้เตสนามาก็หากมีโดยพกการดังกล่าวมานี่แล